คุณครูหนูคงเรียนต่อที่นี่ไม่ได้แล้วสมผัสสยองวิญญาณเฮียนหายากผีปอบ ครูวันวิสาหันไปมองตามเสียงที่ได้ยินก็พบเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ13ปีเธอรูปร่างค่อนข้างเบา บ, บางแขนขาเรียวยาวผมสั้นและมีหน้ามาหน้าตาจัดว่าเป็นเด็กน่ารักคนหนึ่งเลยทีเดียวเธอชื่อมาเรียมเป็นลูกศิษย์ชั้นประถมปีที่6ที่ครูวันวิสาเป็นครูประจําชั้นอยู่พ่อกับแม่ของมาเรียม ตายดีโรครายเมื่อประมาณ10ปีก่อนจากนั้นยายปูยายของเธอก็รับเธอมาเลี้ยงทุกวันนี้มาเรียมก็อาศัยอยู่กับยายที่อายุเจปีแล้วฐานะความเป็นอยู่นั้นค่อนข้างลําบากเพราะยายก็แก่ไม่ค่อยจะมีเรี่ยวแรงทํางานได้แต่เก็บผักหาปูหาปลาตามหมู่บ้านไปขายส่วนมาเรียมตอนเย็นหลังเลิกเรียน ก็ไปรับจ้างทำงานเล็กๆน้อยๆได้เงินมาก็พอประทังชีวิตของยายและหลานไปวันๆมาเรียมาอาศัยอยู่กับยายปุ๊ท้ายหมู่บ้านซึ่งบ้านที่เธออยู่นั้นเป็นของตาแมนตาแมนให้เธอกับยายอาศัยอยู่แบบไม่ต้องจ่ายค่าเช่าเพราะสงสารเธอกับยายตอนนี้มาเรียมน้ำตานองใบหน้า วิ่งเข้ามากอดคุณครูวันวิสาครูรู้สึกตกใจเล็กน้อยแล้วสอบถามต้นสายปลายเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นมาเรียมเล่าให้ฟังว่าตอนเช้าของวันนี้ชาวบ้านพร้อมทั้งผู้ใหญ่บ้านพากันมาที่บ้านของเธอในมือแทบทุกคนมีอาวุธไม่ว่าจะเป็นมีดดาบไม้หน้าสามแล้วแต่ว่าใครจะหาอะไรมาได้ ชาวบ้านยืนล้อมบ้านของเธอตะโกนเรียกยายปู้ให้ลงมาตอนนั้นมาเลียมกําลังนอนหลับอยู่พอได้ยินเสียงตะโกนโวกเวก็ลุกขึ้นมาแอบดูที่หน้าต่างจึงเห็นคนมาตะโกนอยู่หน้าบ้านเป็นกลุ่มใหญ่เธอตกใจมากยายปู้เองก็คงตกใจเหมือนกันแกค่อยๆพยุงตัวเองลุกนั่งบนที่นอนยายปู้ป่วยเป็นโรคปวดเขา่าเดินเหินไม่สะดวก ไม่ได้ออกไปเก็บผักคายหลายวันแล้วมาเรียมรู้ว่ายายไม่ค่อยสบายจึงตัดสินใจโผล่ไปที่หน้าต่างแล้วตะโกนถามว่าเรียกยายทาไมล่ะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทองดีบอกว่าเมื่อสองวันก่อนตาทรงแกมาบอกลุงผู้ใหญ่ว่ายายสายเมียของแกป่วยกระสอบกระแสะไม่มีเรียวแรงมาเกือบปีไปหาหมอมาหลายโรงพยาบาล พยายามรักษายังไงก็ไม่หายตาส่งก็เลยลองเอาคนทรงเจ้ามาทําพิธีคนทรงเจ้าบอกว่ามีผีปอบมาสิงอยู่ในร่างของยายสตาส่งเลยให้คนทรงทําพิธีขับไล่ผีปอบผีปอบในร่างยายสาก็ดิ้นทุรนทุรายพูดด้วยเสียงหญิงแก่ว่าจะยอมหอกจากร่างยายสาแล้วคนทรงจึงถามชื่อของผีปอบ พือไรคัดหาขับไล่ผีปอบตอบว่าแกชื่อยายปุกพอทำพิธีขับไล่เสร็จอาการป่วยของยายใสก็ดีขึ้นยังเห็นได้ชัดยายใสสามารถลุกขึ้นเดินเหินเหมือนเป็นปกติมีเรี่ยวแรงกลับมาเหมือนเก่าตาส่งจึงเชื่อย่างสนิทใจว่าผีปอบยายปุกเข้ามาสิงเมียตัวเอง จึงไปเล่าเรื่องนี้ให้คนในหมู่บ้านและผู้ใหญ่บ้านฟังคนในหมู่บ้านเมื่อได้ฟังก็กลัวผีปอบยายปูจาราวาสเข้าสิงคนอื่นอีกเช้านี้จึงรวมตัวกันเพื่อจะมาขับไล่ยายปุ๋ยให้ออกไปจากหมู่บ้านเพอะผู้ใหญ่พูดจบชาวบ้านก็ตะโกนพร้อมกันว่าไล่มนกไปไล่มนกไป อย่าปล่อยให้มันอยู่เป็นเสนียดกับหมู่บ้านนี้แล้วพวกผู้ชายที่มีอาวุธก็กลูกันขึ้นบันไดามายังห้องนอนของยายปุ๊มาเรียมพยายามห้ามและร้องบอกชาวบ้านว่ายายปุ๊ไม่ได้เป็นปอบเมื่อคืนนี้ยายปุ๊ก็นอนที่ห้องไม่ได้ไปไหนเลยฉันเป็นพยานได้แต่ชายเหล่านั้นก็ไม่ฟังบุก ข, ขึ้นมาบนเรือนแล้วกลูกันจับตัวของยายปู๊ เมื่อมาเรียมเห็นท่าไม่ดีจึงวิ่งฝ่ากลุ่มคนเหล่านั้นออกมาเพื่อไปหาคนช่วยมาเรียมนึกถึงครูวันวิสาเป็นคนแรกจึงวิ่งตรงมาที่โรงเรียนด้วยน้ําตานองหน้าคิดว่าคนในหมู่บ้านคงจะขับไล่ทั้งเธอและยายปุ๊จนเธอคงเรียนต่อที่โรงเรียนนี้อีกไม่ได้แล้วครูวันวิสาได้ยินดังนั้นก็แปลกใจไม่คิดว่ายุคสมัยนี้ จะยังมีคนเชื่อเรื่องผีปอบกันอีกถึงแม้ว่าคุณครูวันวิสาจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีปอบแต่ถ้าเป็นพลังมวลชนที่เชื่อจนไม่ฟังเหตุผลแบบนั้นแล้วอาจจะบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ครูวันวิสาจึงรีบไปนิมนต์หลวงพ่อที่อยู่ในวัดใกล้กับโรงเรียนให้ไปช่วยกันไกลเกลีย่ยกับพวกชาวบ้านหัวรอนพระหลวงพ่อครูวันวิสาและมาเรียม มาถึงบ้านของยายปูก็กพบชาวบ้านหลายคนกําลังยืนคุยกันอยู่ตรงบริเวณลานบ้านมาเรียมเห็นยายปูนั่งคุกเข่าอยู่ที่พื้นมีเชือกผูกที่ข้อมือไพร่ไปด้านหลังมาเรียมร้องไห้โหออกมาด้วยความสงสารยายที่กําลังป่วยแล้วต้องมาถูกทรมานอย่างนี้กลุ่มคนเหล่านั้นบ้างก็บอกว่าให้ไล่ออกไปจากหมู่บ้าน บางก็ใจให้เผาทั้งเป็นครูวันวิสามองไปที่ยายปูอย่างเห็นใจยายปูมีรูปร่างผอมไว้ผมทรงกระพุ่มสีดอกเหลาแล้วหลวงพอก็หันไปถามผู้ใหญ่ทองดีว่าเกิดอะไรขึ้นผู้ใหญ่ทองดีตอบว่าชาวบ้านมาบอกกระผมว่ายายปูแกเป็นปอกจึงช่วยกันจับตัวไว้กลัวจะไปทำร้ายคนในหมู่บ้าน หลวงพ่อทอนหายใจแล้วถามว่ามีใครเห็นแกเป็นปอบไหมทุกคนต่างเงียบแล้วมองหน้ากันตาทรงจึงรีบพูดว่ายายสาภรรยาของแกโดนผีปอบเข้าสิงจนคนทรงต้องมาขับไล่ก่อนออกไปผีปอบมันบอกว่ามันชื่อยายปุ๋และช่วงหลังๆนี้ยายปุ๋ก็ไม่เคยออกมาพูดคุยสุงสิงกับใคร ไม่ไปทำบุญที่วัดหายหน้าหายตาไปเลยตาสรงยังบอกอีกว่าเมื่อครูน่นี้แกมองไปที่ดวงตาของยายปูก็มองไม่เห็นแววตาชาวบ้านเลยเชื่อว่ายายปูเป็นปอมาเรียมรีบบอกทุกคนว่าการที่ยายปูไม่ออกไปไหนเป็นเพราะว่ายายเป็นโรคปวดเขา่าเดินเหินไม่สะดวกก็เลยนั่งนั่งนอนๆอ น, น, อ, นอยู่ที่บ้าน อีกทั้งใหญ่ปูสายตาฝ้า่างดวงตาจึงาดไม่สดใสเหมือนคนปกติแต่ชาวบ้านก็ไม่ฟังเหตุผลร้องตะโกนว่าไล่มันอกนอกไปไล่มันออกไปในกลุ่มคนเหล่านั้นมีเมียของตาแมนเจ้าของบ้านที่ยายปูกับมาเรียรมาใสายอยู่เมียตาแมนพูดว่าฉันก็ไม่ให้อยู่ที่นี่แล้วให้ออกจากที่ดินฉันไปนเลย ตาแมนที่ยืนอยู่ข้างๆเมื่อได้ยินก็เงียบไม่พูดอะไรแล้วหลวงพ่อก็พูดขึ้นมาว่าเอาอย่างนี้พวกเราเองก็ไม่ทราบความจริงว่ายายปูเป็นปอบหรือเปล่าถ้าหากทุกคนกลัวหลวงพ่อก็ขอบินทบาทเรื่องนี้โดยจะขอให้ยายปูไปอยู่ที่ท้ายวัดเพราะมีกุฏิเก่าอยู่หลังหนึ่งซึ่งว่างพอดีให้ยายปูและหลานพักจนกว่ามาเรียมจะเรียนจบ จากนั้นคอยมาว่ากันอีกทีชาวบ้านมองหน้ากันสงสัยตาไวเห็นด้วยกับหลวงพ่อแตาสรงจึงพูดว่าถ้าอย่างนั้นขอหมอผีมาทําพิธีขับไล่ผีปอบออกจากร่างของยายปู ก, ก่อนพวกเราถึงจะสบายใจเนื่องจากชาวบ้านมีกันหลายคนครูวันวิสากลัวว่าถ้าขัดขวางการทํำพิธี อาจจะทําให้กลุ่มชาวบ้านโกรธแค้นรุมทำร้ายยายปูได้ครูวันวิสาจึงบอกว่าถ้าพิธีไล่ผีปอบไม่ทําให้ยายปูเป็นอันตรายก็ขอให้รีบทำสงสารยายปูที่ปวดเขา่าแล้วต้องมานั่งอยู่กับพื้นแบบนี้จากนั้นหมอผีก็เข้ามาทําพิธีขับไล่ผีปอบระหว่างทําพิธียายปูก็สงบนิ่งนั่งหยุดตรงกลางลาน จนเสร็จพิธีผู้ใหญ่ทองดีจึงบอกให้ชาวบ้านแยกย้ายกันกลับต่อมาอีกสองสามวันย้ายปู่กับมาเรียมก็ขนข้าวของมาอยู่ที่กุฏิทายวาดัดเหตุการณ์ต่างๆสงบลงจนหมดปีการศึกษามาเรียมจบชั้นประถมปีที่หแล้วส่วนครูวันวิสาก็ทำเรื่องขอย้ายติดตามสามีไปอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานี แต่คุณครูก็เฝ้าติดตามข่าวของมาเรียมอยู่ตลอดตอนหลังก็ได้ทราบว่ายายปู่แก่ได้ตายไปด้วยโรคชราส่วนมาเรียมหลังจากที่จบชั้นประถมปีที่หกก็ไม่ได้เรียนต่อเธอไปรับจ้างทำงานได้เงินเพียงเล็กน้อยกินอยู่อย่างอดอดอยากๆยากครูวันวิสาสงสารจึงพยายามหาทางช่วยมาเรียม ครูรู้จักครอบครัวที่อยากจะรับคนดูแลเด็กอยู่พอดีจึงให้มาเรียมมาอยู่กับครอบครัวนั้นที่วัทัยธานีซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับครูมาเรียมได้ที่อยู่และได้ค่าจ้างจากการเลี้ยงเด็กครูวันวิสายังแนะนำอีกว่าให้มาเรียมลงเรียนการศึกษานอกโรงเรียนในเวลาที่สะดวก วันไหนที่ครูวันวิสาวางก็จะไปเยี่ยมมาเรียมเป็นครั้งคราวครูวันวิสาสบายใจที่เรื่องปอบยายปูจบได้เสียทีแต่ก็ไม่คิดเลยว่าที่วัไทยธานีก็มีปอบด้วยเหมือนกันครูวันวิสารู้จักกับนางอ่อนในหมู่บ้านเดียวกันนางอ่อนอยู่กับแม่สองคนที่ยายเผื่นแกอายุเกือบจะ80สิปีแล้ว นางอ่อนต้องออกไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัวบางครั้งต้องออกไปต่างจังหวัดวันสองวันจึงไม่มีเวลาดูแลยายเพื่อนที่หูตาฟ้า ฟ, า, ฟางเดินเหินไม่สะดวกครูวันวิสาจึงแวะไปที่บ้านของนางอ่อนเป็นประจำเพื่อดูสารทุกข์สุขดิบของยายเพื่อนไม่นานนักยายเพื่อนก็ป่วยไม่ค่อยทานข้าวทานปลาได้แต่นอนสมไม่มีเรี่ยวแรง นางงอนต้องคอยป้อนข้าวป้อนน้ําให้ที่เตียงวันหนึ่งครูวันวิสาไปเยี่ยมยายเพื่อนที่บ้านเมื่อไปถึงก็สังเกตเห็นว่ายายเพื่อนดูแปลกไปจากเดิมแกนิ่งเงียบไม่พูดไม่จาแถมยังมองครูตาขวางครูวันวิสานึกสงสัยเพราะก่อนหน้านี้ยายเพื่อนก็เป็นคนอารยาศาดีคุยเป็นปกติ ขณะที่ครูวันวิสากําลังจะกลับนางงอนก็เข้ามาจับแขนครูเพื่อขอคุยด้วยเธอพาครูออกไปนอกรัวบ้านเมื่อเห็นว่าไกลจากยายเพื่อนแล้วนางงอนก็บอกว่าเพื่อนบ้านได้เข้ามาเล่าให้นางงอนฟังว่าตอนกลางดึกของคืนหนึ่งได้ยินเสียงข้าวของในครัวตกตอนแรกคิดว่าคงเป็นหนูเข้ามาหาอะไรกินจึงหยิบไม้ เพื่อจะไปข้อไล่หนูเมื่อเดินไปดีกครัวซึ่งปกติแล้วจะไม่มีประตูปิดและตั้งอยู่แยกจากตัวบ้านพอไปถึงก็เห็นเงาคนกําลังค้นข้าวของกระจุยกระจายในความมืดเขาจึงค่อยๆแอบซุ่มดูแล้วก็เห็นยายเผื่อนกําลังค้นตู้กับข้าวหยิบของสดของข้าวออกมากินเป็นจำนวนมากไม่น่าเชื่อว่าจะกินได้หมด เมื่อกินจนพอใจแล้วยายเผื่อนก็เดินเหมือนคนมีเรี่ยวแรงออกไปจากครัวที่ปากยังมีคราบเลือดเปือเป้อนจากการกินอย่างมู ม, มามเมื่อเพื่อนบ้านที่เล่าให้ฟังเห็นก็ตกใจกลัวมากวันถัดมาจึงรีบทำประตูห้องครัวและล็อกกุญแจไว้อย่างแน่นหนาะหน้างอนได้ฟังดังนั้นก็ยังไม่ปักใจเชื่อบอกเพื่อนบ้านว่าอาจจะเห็นผิดคน ยายเพื่อนป่วยนอนไม่มีเรียวแรงจะลูกไปค้นหาของกินอย่างนั้นได้ยังไงเมื่อได้ยินดังนั้นเพื่อนบ้านจึงเดินกลับบ้านไปพอตกดึกก็ปิดไฟนอนไม่ยอมออกมานอกบ้านอีกเลยหลังจากนั้นนางอนจึงคอยสังเกตพฤติกรรมของยายเพื่อนตอนกลางวันเคยเห็นยายเพื่อนนอนสมอยู่บนเตียงพอตกกลางคืน ยายเพื่อนก็ลุกออกจากเตียงเดินได้เหมือนคนปกติแล้วไปค้นของข้าวในครัวกินนางอ่อนตกใจมากรัวว่ายายเพื่อนจะเป็นปอกเลยจะให้หมอผีมาดูอาการของแก่ในวันพรุ่งนี้ครูวันวิสาได้ฟังก็บอกนางอ่อนว่าถ้าไม่สบายใจจะให้หมอผีมาลองดูก็ได้แต่ต้องคอยดูแลยายเพื่อนถ้ามีอาการไม่ดี หรือถ้าจะได้รับอันตรายก็ให้หยุดทำพิธีนางอ่อนตอบตกลงวันรุ่งขึ้นครูวันวิสาก็มาที่บ้านของนางอ่อนเห็นนางอ่อนและชาวบ้านในหมู่บ้านอีกกลุ่มหนึ่งมองหมอผีที่กำลังดูอาการของยายเพื่อนหมอผีบอกว่าร่างของยายเพื่อนได้ตายไปหลายวันแล้วที่เห็นนี้เป็นวิญญาณของผีปอบที่สิงร่างอยู่ ต้องทำพิธีขับไล่ดวงวิญญาณของผีปอบออกจากร่างของยายเพื่อนโดยให้นางอ่อนไปหาไข่ไก่มาสองฟองไข่ไก่นั้นต้องมีรูปร่างและน้ำหนักเท่ากันทั้งสองใบเมื่อนางอ่อนหาไข่ไก่มาได้สองฟองก็ให้หมอผีทำพิธีขับไล่หลังจากหมอผีจุดธูปและดอกไม้บูชาพุทธคุณแล้วก็เริ่มบริกรรมคาถาขับไล่ดวงวิญญาณผีปอบ หมอผีถือไข่ไก่สองฟองครึ่งบนผิวไกยของยายเพื่อนรูปขึ้นรูปลงแล้วร่างของยายเพื่อนก็สั่นสั่นแรงขึ้นเรื่อยๆก่อนที่ผีปอบจะออกจากร่างมันก็ร้องว่ากูออกแล้วกูออกแล้วจากนั้นยายเพื่อนก็สลบไปเมื่อหมอผีเห็นดังนั้นจึงหยุดทําพิธีกรรม แล้วชูไข่ไก่ทั้งสองฟองบอกว่าผีปอบมันเข้าไปอยู่ในไข่ไก่แล้วให้นางอ่อนนาไปฝังที่กลางทุ่งนาขุดลึกสักหนึ่งศอกและไม่ให้ใครขุดมันออกมาได้ครูวันวิสาจึงไปส่งนางอ่อนฝังไข่ที่ทุ่งนาเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาที่บ้านพอมาถึงเห็นชาวบ้านแตกตื่นรุมล้อมร่างของยายเพื่อน นางหอนรีบเข้าไปดูก็เห็นร่างที่ไร้วิญญาณของยายเผื่อนทรงกลิน่นเหม็นโชยออกมาเหมือนศพที่ตายมาแล้วหลายวันเนื้อเริ่มเนา่าทรงกรีเนเหม็นคลากรุงแท้ที่จริงยายเผือนได้สิ้นใจตายไปหลายวันแล้วแต่มีวิญญาณผีปอบมาสิงร่างเพื่อกินตับไตไส้พุงของยายเผื่อนนางหงอนเสียใจมากที่แม่ต้องมาจากไปแบบนี้ หลังจากนั้นจึงนำร่างของแม่ไปทำพิธีตามหลักศาสนาเวลาผ่านไปไม่นานนักมาเรียมก็เข้ามาคุยกับครูวันวิสาว่าจะขอย้ายไปอยู่บ้านญาติของเพื่อนที่เรียนการศึกษานอกโรงเรียนด้วยกันบ้านนั้นอยู่ต่างจังหวัดกำลังต้องการคนดูแลยายที่แก่แล้วครูวันวิสาจึงบอกว่าแล้วแต่มาเรียมนะ แต่ขอให้มาเรียมดูแลตัวเองให้ดีครูจะไปเยี่ยมมาเรียมถ้ามีเวลาไปแล้วก็ส่งที่อยู่ส่งขาวคราวมาด้วยนะมาเรียมบอกว่าจะเดินทางไปเย็นนี้ครูวันวิสาจึงอาสาไปส่งที่ท่ารถแต่ขอแวะไปหานางอ่อนเพราะนางอ่อนบอกว่ามีเรื่องด่วนจะคุยด้วยมาเรียมก็ตกลงเมื่อมาถึงบ้านของนางอ่อน ครูวันวิสาให้มาเรียมนั่งรอในรถแล้วเข้าบ้านไปคุยกับนางอ่อนนางอ่อนทำท่าทางไม่สบายใจแล้วบอกว่าวันที่เอาไข่ไก่สองฟองที่ทำพิธีขับไล่ปอบไปฝังไว้ที่ทุ่งนาก็กลัวว่าจะฝังไม่ลึกพอถ้าเกิดคนไถนาไปขุดโดนเขาอาจจะทำให้ไข่แตกแล้ ว, วิญญาณปอบหลุดออกมาได้จึงคิดว่า จะขอให้ครูวันวิสาไปส่งนางอ่อนขุดเอาไข่ไปฝังที่อื่นครูวันวิสาก็รับคําแต่ขอไปส่งมาเรียมที่ท่ารถก่อนแล้วครูวันวิสาก็ออกจากบ้านนางอ่อนเดินตรงไปที่รถซึ่งจอดอยู่นอกรั้วห่างจากตัวบ้านพอสมควรพอไปถึงรถครูวันวิสาก็ไม่เห็นมาเรียมจึงลองร้องเรียกแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับ ครูคิดว่ามาเรียมอาจจะป่วยทายเบาแล้วไปทำธุระ ส, ส่วนตัวใกล้ๆแถวนี้ครูนึกขึ้นได้ว่าที่ฝังไข่ก็อยู่ไม่ห่างจากที่นี่สักเท่าไหร่นักด้วยที่ครูไม่ค่อยเชื่อเรื่องวิญ ญ, ญาณผีปอบจึงไม่ได้กลัวอะไรครูวันวิสาคิดว่าจะไปขุดเอามาเก็บไว้ก่อนพรุ่งนี้พอนาไปฝังที่ใหม่จะได้ไม่ต้องเสียเวลา พราทิตย์เริ่มตกดินแล้วครูรีบเดินไปจนใกล้ถึงบริเวณที่ฝังไขเอาไว้แต่แล้วเมื่อเดินไปถึงก็เห็นมาเรียมกำลังหันหลังนั่งขุดดินตรงกลางทุ่งนาอยู่ซึ่งมันเป็นที่เดียวกันกับตอนที่นางอ่อนและครูวันวิสาฝังไขไว้พอดีครูวันวิสาหยุดแล้วแอบดูหลังต้นไม้ได้วยความสงสัยว่ามาเรียมรู้ที่ฝังไขได้ยังไง ในเมื่อวันนั้นมาเรียมก็ไม่ได้ออกมาด้วยสักพักก็เหมือนว่ามาเรียมจะขุดเจอไข่ทั้งสองแล้วเธอเอาท่อนไม้กระแทกไข่ในหลุมจนแตกกระเด็นจากนั้นมาเรียมก็ลุกขึ้นยืนข้างๆหลุมครูวันวิสาดูอยู่ห่างๆด้วยความแปลกใจแล้วครูก็แทบจะร้องกรีดรันที่เห็นมือแก่ๆขาวซีดค่อยๆยืนโผล่ขึ้นมาจากหลุม มาเรียมเอื้อมไปจับมือนั้นไว้ทำท่าเตรียมฉุดขึ้นมาจากหลุมครูวันวิสาไม่อาจทนดูภาพสยองนี้ต่อไปได้รีบวิ่งกลับไปที่รถพยายามตั้งสติกับภาพที่เห็นไม่นานมาเรียมก็เดินตามมาท่าทางคงยังไม่รู้ว่าครูวันวิสาเห็นพฤติกรรมน่ากลัวของเธอมาเรียมกลับเข้ามานั่งในรถแล้วบอกว่า เธอไปปลดทุกมาครูวันวิสาพยักหนา้าแล้วก็ออกรถไปตลอดทางครูไม่ได้พูดอะไรพยายามข่มมือที่กำพวงมาลัยไว้ไม่ให้สัน่นครูกลัวมาจนทำอะไรไม่ถูกพอมาถึงท่ารถมาเรียมก็ยกมือไหวเพื่อลาและขอบคุณครูวันวิสาที่ช่วยเหลือเธอมาตลอด จากวันนั้นที่ครูวันวิสามาส่งมาเรียมเสร็จแล้วก็ไม่ได้ข่าวจากมาเรียมอีกเลยเมื่อครูมีโอกาสไปถามที่การศึกษานอกโรงเรียนก็ไม่มีใครรู้ว่ามาเรียมย้ายไปอยู่ที่ไหนครูวันวิสาจึงได้แต่ภาวนาขอให้มีคนยับยั้งมาเรียมและวิญญาณปอบตนนั้นไม่ให้ปเปอาชีวิตใครได้อีก สัมผัสสยอง